ขอคารวะพระกุญเจ้าและขอเจริญพรญาติโยมสาวทุกชนทุกท่านวันนี้พวกเราได้มาร่วมกันทำหน้าที่บาเพ็ญภาร ก, กิจต่อบุคคลที่เรารับเคารพหรือว่านักถืออันได้แก่คุณนรงเทวานนรเมกุลหน้าที่หรือภาร ก, กิจดังกล่าว นอกจากจะได้แก่การมาร่วมกันปรองศรีรักของท่านแล้วยังมาร่วมกันบมเพ็ญบุญกุศลกู้ที่้ท่านด้วยเพราะว่าผู้ที่ลงรับไปแล้วไม่มีสิ่งใดนะที่จะีเป็นประโยชน์เพื่อคูณได้นอกจากบุญกุศลเพราะเมื่อวงรับทรรนไปแล้วไม่ว่าทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศบริษัทบริวารมีมากมายเพียงใดก็ไม่สามารถจะช่วยให้เป็นสุขได้ในสัประยพกก็มีแต่บุญกุศลเท่านั้นนะที่จะช่วยทำให้ประสบสุขด้วยนี้จึงมีการบาเพ็ญกุศลในหลายวาระหลายลักษณะเช่นการถวายสังฆทานการทอดผ้าบังสมกุลหรือแม้แต่ ทำสิ่งยีงามบุญที์ให้กับท่านผู้ลงลับแต่ในงานศพนั้นเนี่ยนอกจากเราจะมาทำหน้าที่ต่อผู้ที่ลงลับแล้วงานศพยังสามารถจะเป็นประโยชน์กับเราด้วยไม่เพียงแต่ ป, ป็นกุศลให้กับท่านที่จากไป แต่เรายังสามารถใช้อกาสนี้มาสร้างบุญกุศลให้กับตัวเราเองได้นอกจากการมาทำบุญด้วยทานสมาทานศีลแล้วการที่เรามาเปิดใจรับสัจธรรมของชีวิตซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนที่สำคัญก็มีประโยชน์กับพวกเราด้วยเช่นกัน สันติธรรมที่ว่าไม่จำเป็นจะต้ององอกมาจากปากของพระที่กำลังแสดงก็ทมเทศนาที่จริงแล้วเนี่ยคุณนรงในขณะนี้ก็กำลังแสดงธรรมให้กับเราอยู่ท่านกำลังแสดงธรรมให้พวกเราได้ประจักษ์ว่ามนุษย์เราทุกคนนั้นเนี่ยถึงที่สุดแล้ว ต้องตายเมน้นหรือจิตกาทานเป็นจุดหมายปลายทางของทุกคนทั้งในที่นี้แล้วก็ที่อื่นด้วยหากว่าเราเปิดใจรับสัสัสรูธรรมอันนี้ก็จะเกิดความให้ประมาทในชีวิตแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะทำความดี ไม่มัวแต่สะสมเงินทองหรือว่าชื่อเสียงเกียรติยศเท่านั้นพราะในเมื่อเราทุกคนต้องตายเราก็ควรที่จะเตรียมตัวพร้อมรับความตายด้วยเมื่อเราเกิดมาเราพยายามที่จะใช้ชีวิตนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดยามทํำให้ชี่ิของเรามีคุณค่าแต่เท่านี้ยังไม่เพียงพอ เราต้องนึกถึงการเตรียมตัวตายด้วยเพราะว่าเราทุกคนนั้ต้องตายครั้งหนึ่งคุณนร o n ์ก็เป็นเหมือนเราก็คือมีชีวิตมีเลือดเนื้อมีลมหายใจเดินเนินไปไหนมาไหนได้แต่ต่อไปเราทุกคนก็จะเป็นเหมือนอย่างคุณนร o n ์ s นั่นก็คือว่าทอดร่างแน่นิ่งไม่ไหวติง เปรียบเหมือนทอดไม้ที่หาประโยชน์นี้ได้ถ้าว่าเราได้ตระหนักถึงความจริงหรือสัจธรรมนี้เราไม่ต้องคิดต่อไปว่าในเมื่อเราทุกคนต้องตายทำอย่างไรเราถึงจะตายดีอย่าคิดแต่เพียงการมีชีวิตที่ดีเท่านั้นแต่ต้องมถึงการตายดีด้วยการตายดีหมายถึงอะไรหมายถึงว่า การที่เราสามารถจ ะ, ะเผชิญรับความตายโดยที่ไม่ทุรนทุรายโดยเฉพาะเมื่อมาถึงบ้านท้ายของชีวิตหรือเมื่อมาถึงเรียกสุดท้ายของชีวิตการตายนในพุทธศาสนาไม่ได้แปลว่าจะต้องตายในประสาทราชวัง ว่าจะนึกถึงการหลับตายตายโดยไม่เจ็บปวดตายโดยไม่ทุข์ทรมานตายท่ามกลางคนลกแต่ในค่ัพกลพุทธศาสนาการตายนีคือการตายด้วยจิตที่เป็นกุศลเช่นไม่ทุรนทุรายและเมื่อตายแล้วก็ไปดีก็คือไปสุดสดติอย่าง้วก็ตามการตายดีไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการตายดีประการแรกคือจิตที่หวงหาอาไยหรือ อ, ไอาไลอวอนได้ใสยพุทธการมีพระพิสุ์ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีวันหนึ่งได้จีวอนหรือนใหม่มาจากโยมที่สาวสมัยก่อนจีวอนเป็นของหายาเพื่อท่างได้มาท่านก็ดีใจ แต่ว่าไม่ทันได้ครองจีวอ น, นั้นท่านก็มรณภาพประทันหันจิตสุดท้ายของท่านนึกถึงจีวรนอื่นนั้นด้วยความเสียใจว่าไม่ได้ครองแล้วก็ว่าพรอมมรณภาพไปท่านพอไปกลายเป็นเลนในจีวร น, นั้นเป็นเลนในจีวรเป็นเลนอยู่ประมาณ7วันเมื่อบดอายุขัยของเลน จึงได้ไปสวรรค์เพราะท่านได้เคยทำความดีเอาไว้หลาย่านอาจจะไม่เชื่อในเรื่องของการเกิดในสุขติเพรแต่ว่าถ้ามีตัวอย่างมากมายของคนที่ก่อนตายมีความอาลัยมีความยื้ติดก็ทำให้ตายไม่สงบตายอย่างทุรนทุรายหรือว่าตายไม่ตายดี มียมคนหนึ่งเป็นมะเร็งและในช่วงท้ายของชีวิตเธอก็เท่าแต่พูดถึงลูกชายคนสุดท้องอายุสิบขวบเป็นห่วงลูกชายมากเพราะว่าที่ชายสองคนนั้นเนี่ยติดคุกติดยาแล้วก็ติดคุกเธอก็ห่วงว่าลูกชายประสุดท้องเนี่ยจะติดยาแล้วก็มีชตากรรมเหมือนพี่ชายสองคน ฝ่อแต่วงลูกแล้วก็เผชเิญต่อความทุกข์ทรมานจนสิ้นชีวิตตายแล้วเนี่ยพอะวันตาไม่เป็นตามเบิ่งโครงทำอย่างไรก็ไม่ปิดตาจนกระทั่งวันรุมงขึ้นเมื่อจ้ผู้ใหญ่มารับสบก็รู้ว่าอะไรคือสาเหตุก็จุดธู่แล้วก็บอกว่าจะดูแล ลูกชายคนสุดท้องของผู้ตายให้ติดทุบเสร็จก็ผิดตาปรากฏว่าคราวนี้ผิดได้สําเร็จเรื่องนี้คงไม่ใช่เป็นความบังเอิญแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ตายนั้นยังมีความภาลัยยังมีความหวงในลูกบางคนหวงที่ในกรรมว่ายังไม่ได้ทําตอนที่ตายก็หน้าตาหน้านิา่วชุบขมวดเหมือนกับว่า ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังทำไม่แล้วเสร็จนอกจากความห่วงหางอะไรแล้วความรู้สึกผิดก็สามารถจะทำให้ตายไม่สงบได้หรือว่าทุรนทุรายก่อนตายหัวหน้าพยาบาลคนหนึ่ ง, งเป็นมะเร็งปอดในระยะสุดท้ายของชีวิตเอายาต่างๆแยกหมดแล้วแต่เธอไม่ยอมตายเอาแต่เปิดตาเบิกมอง ไปที่เพดานแพทย์และเพียบาลก็สงสัยว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมตายสักทีปรากฏว่าเมื่อเพียบาลรุ่นน้องมาถึง เ, เธอก็รุบรวมกำลังเพื่อที่จะเอือปากขอโทษเพียบารุ่นน้องคนนั้นแล้วก็บอกว่าขอโทษนะที่ทาไม่ดีกับเธอเอาไว้ พอที่ป่ามาเนี่ยได้เข้าใจว่าเธอเป็นทิ้กับสามีตอนนี้รู้แล้วว่าเธอไม่มีอะไรกับสามีส่วนยาบาทุเงอะคนนั้นเนี่ยก็ยินดีก็บอกว่าหนูเข้าใจพี่หนูให้อภัยพี่หนูไม่กดเพื่องพี่เลยพอที่เช่นนั้นเนี่ยผู้ป่วยก็มันก็ว่าจะคุยกับผมในสุดก็หลับตา แล้วก็จับไปในวันนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่ถ้าหากว่ายังไม่ได้กล่าวคาขอเข้ามาความรู้สึกผิดก็จะติดค้างใจและทําให้ยากที่จะตายหรือตายแบบผุรุดผูร้ายได้แต่ถ้าหากว่าได้ขอเข้ามาเระจะรับการแพรภัยก็สามารถจับไปอย่างสงบได้บางคนไม่สามารถจะตายเพราะว่าได้ ติดข้อในภารกิจบางอย่างมีคุณลุงคนหนึ่งเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมชอบชักชวนให้เพื่อนๆไปร่วมกันทอดพระป่างคทอกระถิ่นตามวัดต่างจังหวัดในชนบทที่กันดานเพราะว่าวัดเรานั้นเนี่ยขาดโบยขาดพิหารคุณลุงก็ทำที่มาเป็น20ปีแล้ววันนึงเขาตื่นเด้นมเร็ง แล้วมะร็งกุ่กามเร็วมากจนกรท่งนายเสือก็มานอนอยู่ในโรงพยาบาลตอนท้ทายๆเนี่ยแกยัมีการกระสับกระส่ายทุรุทุรายมากลูกหลานก็คิดว่าผู้ป่วยเป็นคนธรรมะธรรมโมรถ้าได้ฟังเทศธรรมพระสนมนก็จะดีแต่ปรากฏว่าฟังเทศธรรมะพระสนมนก็ยังกระสับกระส่ายอยู่จนกรท่าน เพื่อนสนิทมาถึงพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไปพูดข้างถูว่าโบวกที่ยังสร้างไม่เสร็จไม่ต้องห่วงนะั่นเพราเราจะช่วยเราสร้างให้เสร็จพอพูดเท่านี้ก็มันกระโดนใจของผู้ป่วยก็อยู่กระสับกระส่าย ก, ก็แสดงว่าผู้ป่วยนั้นมีความกังวลถ้าว่ารับปากเอาไว้ว่าจะสร้างโบวถแต่สร้างไม่เสร็จ ความกังวลความยึดติดแบบนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดความทุเลาทุรายในระยะสุดท้ายได้ด้วยเหตนี้ถ้าว่าเราต้องการอยากจะตายดีอยากจะตายสงบเราต้องรู้จักที่จะกดเคลื่องสิ่งติดทั้งใจแล้วก็รู้จักปล่อยวางรวมทั้งพยายามที่จะทําบุญทาบุญสมเพื่อจะได้ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ติดทั้งในใจได้ เมื่อเรารู้ว่าเราทุกคนต้องตายเราก็ไม่ควรจะปล่อยเวลาที่มีอยู่ให้ผ่านเลยไปยานที่จะทำบุญ ง, งามความดีสรา้รางบูสร้างบุญลมรับไว้ความช่วก็ทราบว่าเรามั่นใจในความดีมากเท่าไหร่เราก็จะตัวตายน้อยลงมีคาถามต้นโพธิสัตว์ก็คือพรูุ้จ่าความพิจารณาลูงกล่าวว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมย่อมเป็นตัวปรโรภ ได้ที่หนึ่งว่าเมื่อข้าพาจ้าไม่ทําไม่เคยทำความชั่วในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงคนเราเนี่ยถ้าว่าเราต้องการเตรีย ม, มตัวตายหรือต้องการที่จะตายดีตายสมอเนี่ยก า, าาการทําความดีการสร้างบุญบุศยกเป็นสิ่งสําคัญและเมื่อถึงวันที่เราจะต้องรับจากโลกนี้ไปนึกถึงความดีนึกถบุญศย์ของเราช่วยทำให้เร า, า ม, ม, รมีความปิติ ช, ชื่นชื่นและ ในโ่คกรต า, ตายจะมาถึงพระเจ้าตรัสว่าบุญย่อมทําให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตในเวลาสิ้นชีวิตเนี่ยเงินทองทก็ไม่ทําให้เกิดสุขได้ในเวลาใกล้าตายชื่อเสียงบริษัทบริวารก็ไม่ทําให้เกิดสุขได้มีสิ่งเดียวที่ทําให้เป็นสุขได้ก็คือบุญบุญสเพราะฉะนั้นเนี่ยการบั่นทันคาดีสร้างบุญสมก็จะเป็นวิธีการหนึ่งในการที่ช่วยทําให้เรา สามารถจะมีคุณที่ช่วยให้จากไปสงบหรือตายดีได้ขณะเดียวกันการที่เรารู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดคือมาดในสิ่งต่างๆจนเป็นทุกข์จนจิตรุ่มร้อ น, น, นก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการทวยช่วยให้เราไม้เพียงแต่ดูอย่างเราสบายเท่านั้นถึงเวลาตายก็ตายสงบด้วยการเจริญร้อนจสติ การเัารู้ถึงความจริงของชีวิตแล้วก็ราตัวต้องตายเป็นสิ่งที่เราจะพึงทำเป็นสิ่งที่เราควรทำอย่างสม่ำเสมอและการมางานศพก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เจอมราณะสติเพื่อจะทำให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิตและเพื่อจะได้เร่งผลฝ่ายในการทำความดีเราเว้นความชั่วรวมทั้งการฝึกจิตด้วยการทาสมาธิภาวนา เพื่อให้รูจับปล่อยวางปล่อยวางความโกรธเมื่อเกิดขึ้นปล่อยวางความเกลียดเมื่อมันครอบงาใจและสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อถึงคราวที่มามาจู่โจมเราในยามที่เราใกล้สิ้นชีวิตเราก็จะรู้จักปล่อยวางและสามารถไปสงบได้นี่คืออ น, นิสงส์อย่างหนึ่งที่เราสามารถจะได้จากการมางานสอบเปิดใจรับฟังสัธรรมจากผู้ที่ลงลัำ ซึ่งในวันนี้คุณรนรงค์เทวานรงค์มิต ก, กุก็กำลังแสดงธรรให้กับพวกเราจริงๆคุณนรงนั้นเนี่ยในยานที่มีชีวิตอยู่ท่านก็มีคุณงามความดีมากมายที่ควรใจการ น, นึกถึงกิจที่เราคุณทำต่อผู้ที่รอ้องรักโดยเพราะหากว่าคุณนั้ น, เ, นเป็นผู้ที่เรารับนั่งขอบรอง ก็คือการทำความดีของท่านให้ก ร, ร, ระจายแพ่หลายรักษาชื่อเสียงของท่านแต่สิ่งที่สำคัญต่อแ น, นกคือการน้อมนาความดีของท่านมาไว้ในตัวเราในจิตใจของเราคุณรงน่นเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะเป็นผู้ที่รันเ่ินแลอท่านพยายากที่จะช่วยพัฒนาสร้างความเป็นอยู่ ของผู้คนที่ประนองสรารธารมในหลายๆด้านก็จะเป็นการส่งเสริมการศึกษาการช่วยสร้างหรือผู้ปว่วยในโรงพยาบาลการช่วยเหลือเด็กหรือผู้ประสบทุกข์ซิ่งเรานี้นับเป็นแา บ, บอย่างที่ดีกับพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่ร้านเคารพและนับถือท่านหากว่าเรานงนำเอาความดีของท่านไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและขณะเดยียวกัน เมื่อท่านจากไปก็ใช้การจากไปของท่านเป็นเครื่องเตือนใจให้เรารู้ถึงความจริงของชีวิตว่าเราทุกคนต้องตายก็จะเกิดอันอิสงส์มากมายในประการเราต้องไม่ลืมว่าการมีชีวิตของเรานั้นเนี่ยไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนถึงสุดท้ายก็ต้องมีจุดจบชีวิตและความตาย เป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันเราจะอยู่โดยลืมโดยไม่คิดถึงความตายไม่ได้เลยพอถ้าทาเช่นนั้นก็รู้ว่าเป็นผู้ที่ประมาทอย่างยิ่งและผู้ที่ประมาทนั้นเนี่ยก็เหมือนกันว่าตายไปแล้วฟ้นตัวแต่ถ้าว่าเราไม่ประมาทเรารึกถึงความตายอยู่เสมอก็จะเป็นเครื่องช่วยเตือนใจ ให้เราดำเนินชีวิตอย่างถูกที่ถูกทางเพื่อทำให้เรามันรรางสรสมงุณงานความดีและขณะเดียวกันก็จะตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกจิตเพื่อการรับมือกับความตายในยางที่จะมาถึงเมื่อพระพุทธเจ้าใกล้จะเสด็จดบทำประนิทานพระองค์ก็ได้กล่าวเป็นปัจฉิมโมวานว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำปางแม่ประมาณถึงพร้อมเถิดนี้เป็นพระบาทใจในขั้สุดท้ายของพระตถาคตเจ้าการมางานศพเป็นเครื่องเตือนใจให้เราไม่ประมาทในชีวิตและเมื่อเราไม่ประมาทในแท้จริงแล้วเราก็จ่ายตหนักถึงความสําคัญของการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าและขณะเดียวกันก็เตรียมตัวเตรียมใจ เพื่อที่เมื่อการตายมาเกิดขึ้นกับเราเราก็จะตายดีไม่ทุรมทุลายไม่หลนตายและวเมื่อตายแล้วก็จะไปบายไปสิริสิทธิัตมาเห้ยกเราปราาาาัตตรท้าทำพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ขอทุตีจิตเท่านี้ก็ขอพวกเราได้รองใจด้วจิตคุณอุสนที่เราได้รองเป็นในวันนี้ใน้ทยกลา ขอบุณนรงค์เจวันนักวินิผู้เลื่องบับเพื่อให้ท่านได้กระส่องสุสัมบันในสันงกิตไยพร้อมและก็เย็ึงใจให้ท่านได้เข้าถึงความสุขประเสริฐปราบคือพนิพพานซึ่งเป็นจุดไม้อันสูงสุด ข, ของชาวทุกทุกคนพะเจาลึทอน